Yeah. <laughs> จะรักกั All right. j a n Juan, Juan, Jay, j a ยั้งตาแั่ใจชายความรำมุดเปลี่ยนเปลียนไปยั้งเก้วยัเกี้ยวยั้งไรตาจะไม่ไม่ไายแลมองยั้งจวนยั้งจวนยั้งประมิดระวนยั้งยวนใจชายยั้ตาแม่ระบายความรำมุดเปียเปลียนไปยั้งเก้วยั้เกียวยั้งไรตาจะไม่ไม่แล